พุทธะนะกบูตระปะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธรรมังสังคังนามาจามิอิตโตปารังสัตจังมมธัรมโมโสตโพติต่อจากนี้ไปจงประกันตั้งใจฟังได้ประตั้งอยังมีความสงบ เพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะได้อบรมธรรมะซึ่งทางรัช ก, การเช่นผู้ ก, การจังหวัดอบดุบลญได้สถานีได้เขียนหนังสือมาเรียนว่าวันนี้มีพวกอาสาหมู่บ้านจะมาอบรมที่วัดตรองขาพโมกษ หลังนงันท่านจะให้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยการแนะนำคำสอนผู้ประการเท่าทีค่ควรดังนั้นแม้กันนอกกันไปก็ยังมีประชาชนมาสมคบเป็นพิเศษบ้างก็มีอันใดก็ตามเป็นต้นไอ้ความเป็นไปหรือความเป็นมาของชาวมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งเกิดยืนร่วมร่วมกันมันเป็นกลุ่มก้อน อันหนึ่งหนึ่งเมื่อมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งหนึ่งแล้วต่อมามันก็มากขึ้นมันก็มากขึ้นมันขยายตามส่วนบุคคลขยายกว้างออกไปและการบริหารการงานของเราจะแคบอยู่อย่างเดิมมันไม่ได้มันจะต้องขยายออกไปเรื่อยเป็นต่นต้องช่วยกันผู้ที่จะมาเป็นผู้ อาสาให้หมู่บ้านทั้งหลายนี้ก็มีหมายความว่าเราจะต้องมีธรรมะตั้งอยู่ในใจของเราเช่นมีพรหมริหารหรือเป็นบิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุสิตามีเบคาเป็นพื้นฐานตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้สึกของเราทุกคนนี่คือธรรมะ คือให้มีความเมตตากรารุณาปราณีทุกคนหน้าเสมอไปทั้งทั้งที่ว่าเราซึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่ญาติเราไม่ใชพี่น้องๆเราไม่ใช่ไอความเป็นมาของอืชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นลูกเป็นหลานกันทั้งนั้นเไม่ใช่ว่าเป็นคนอื่น ถึงแม้ว่าจะไปอยู่คนบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็จริงอแต่ว่ามันก็เหมือนเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งซึ่งมันเกิดในรวงอันหนึง่งในต้นอันหนึง่งในกออันหนึง่งของข้าวนั่นเองนี่มันมากขึ้นมากมันก็กระจายกันออกไปเมล็ดหนึ่งก็มีต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็มีหลายลวงมีหลายเมล็ด มันก็จางกันไปแปรกันไปว่าเป็นต้นข้าวคนละต้นละต้นแต่มันก็เป็นคนละต้นมันก็เป็นต้นข้าวต้นเดียวนั่นเองซึ่งมันขยายแพ่พืชออกจากในกออเดียวกันในต้นอเดียวกันฉะนั้นพวกเรานี้ก็มันกันฉันั้นเดิมทีก็เกิดเป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันนั่นเองถ้ามันขยายไปขยายไปจางคนก็จางไป แต่เพามันไม่แน่นอนสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยเป็นเหตุให้คนเราสลายกระจายกันไปทั่วทิศทานทิศเ mm. มื่อกระจายห่างๆกันไปเรืลืมตัวกันใช่อืมเป็นต้นเห็นหน้าคนหนึ่งก็ว่าไม่ใช่ญาติของเราแล้วเห็นหน้าคนหนึ่งบ้านหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นญาติเกิด มันก็เป็นญาติแก่มันก็เป็นญาติเก็บมันก็เป็นญาติตายตรงนั้นดังนั้นพระบรมาครูเราท่านจึงให้มีธรรมะอเอาจิตใจเข้าสู่ธรรมะเอาธรรมะตั้งอยู่นรากฐานของพื้นจิตใจของเราทั้งหลายคือให้ช่วยกันให้ช่วยกันทุกทุกคนใครมันเป็นทุกข์อะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วย เป็นตน้นอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันในพื้นปัจจุบันนี้ก็คือพ่อของเราแม่ของเราญาติกันเนาะลูกหลานของเราด้วยกันเช่งนั้นแต่เมื่อกจจัดกร ะ, ะจายไปหลายปีหลายเดือนเป็นต้นก็หลงกันเกิดเป็นคนคนอื่นลบกันไปกันแทงกันวุ่นวายกันสารพัดอย่างตามภาษาสัตท์ที่มันหลงนันเอง ไอความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนก่อเดียวกันไม่ใช่อรอืมเป็นต้นพิริเวรมีความเห็นเช่นนั้นความเข้าใจผีดเป็นเหตุมันก็เกิดบรบลาท้าฟันกันหลงไปอืหลงฆ่ากันหลงแย่งกันหลงรบ ก, กันฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันเพราะความหลงตรงนั้นความเป็นจริงมันก็ญาติพี่น้องกันสุขผลนิจฉะนั้น โดยส่วนมากก็ผู้ปกครองประเสธชาติก็อยากให้จะประเสธชาติลื่นเป็นไปเช่นผู้เป็นประธานในเมือนไทยเช่นในหลวงรัจทินีเป็นต้นก็มีความต้องการอยากจะให้พวกคุณระบุคุณลติลาทั้งหลายรู้จับกันโดยสัญชาติว่ามันเป็นญาติกันหรือเป็นคนคนเดียวกันเป็นต้นฉะนั้นจริงต่าง ครับทั้งหลายทั้งฟองเนี่ยขยายบทบาทอะไรต่างๆที่จะให้ความสะดวกแก่บ้านเราขึ้นมากลุมอืผู้ที่อาสาชาวบ้านทั้งหลายนี่ต่างชินก็ต่างอยู่ต่างาจากอำเภอกันยิบเอาอำเภอนั่นบางอำเภอนี้บางมาร่วมกันศึกษาใครยังไม่รู้อันใดก็ศึกษาอันนั้นให้เข้าใจ คืออาจจะไปฉนองบุญปุนของพ่อแม่ที่น้องเราทั้งหลายให้ประท็นอยูเ่เย็นเป็นสุขนี่เป็นต้นดังนั้นผู้ที่เราเข้าไปอ า, าสาชาวบ้านทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้มีธรรมะธรรมะคือความเมตตาเข้าไปในบ้านนี้มองเห็นคนแก่ๆกันแล้วนี่เงินมีเม่เราเนาะทผู้ชายจะแจเงินอยู่พอๆเรานะ เป็นต้นอายุสูงกอ่า น, นี่ที่แลาวนะจากนี้เป็นต้นอันนี้น้องเราลูกเราหลานเราทั้งนั้นให้ทางความเห็นอย่างนี้ทุกคนพยายามการช่วยความตกทุกข์และยากเป็นต้นก็ให้สวา ม, มิเตชะนั้นเมตตาคือความรักเมตตาคือความรักมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะเจ้าจง อย่างนึงมันรักโดยเฉพาะทั่วถึงกันอย่างนึงมันก็รักตัวของเรารักลูกของเรารักหลานของเรารักตระกูลของเราตระกูลอื่นจะไปให้กระชั้น ไ, ไม่สนใจเป็นต้นอันนี้ก็รักบนตันรักในตระกูลของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่ามันแคบเกินไปมันแคบในความคิดแค่ น, นี้มันแคบก็เป็นเมตตาบนตั น, นแต่เป็นเมตตาในสมวิหาร พระพุทธเจ้าตองการอยากให้เป็นเมตตาอภิบญญาัญาเอัประวัญญาเราพูดถึงกันใครจะมาจากคิดไหนก็ตามเถอะจะเป็นยังไงมาก็ตามเถอะเรามีความเห็นพอใจเหมือนๆกันคนที่ห่างเราคนที่อยู่ใกล้กันก็นเหมือนๆกันฉะนั้นมีความรักตึงวกันให้ความเห็นเึนตวกันให้ความสุกเึงตันกันตามมีตามได้อย่างนี้อันนี้มัาเรียกว่าความสงบโดยทัวถึง เป็นอภิมัญญาธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในจิตสันดานของพวกเราทั้งหลายผู้รักษาชาวบ้านผูมนมุษย์เราทั้งหลายนั้นถึงแม้จะเป็นอะไรก็ตามที่เดอมที่มาเกิดมาร่วมกันแล้วคนบุญเป็นทุกข์เราเป็นสุขเราก็เป็นสุขไปไม่ได้อย่างคร น, นั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์เมื่ม่ข้าวกินแต่เรากินคนเดียวเอาถึงอยู่ด้วยเองแล้วก็มาแบ่งเท่านั้น ก็มาแบ่งมาก้นเราเท่านั้นนี่นี่ให้สุกคนเดียวไม่ได้หรอกแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่บอกมันกัดก็เอาสิพย์เป็นไอโยนเข้าวไอจุนักกินทิย์โยนต้อนตัโตให้ตัวนึงตีตัวนึ่งจะให้มันตีเลี้ยงก็วิ่งมาตัดกันทัานั้นแหละแย่เพราะอะไรนะเพราะมันไม่สินข้าวมันก็ต้วนแบ่งนี่นะถ้าให้ส่วนแบ่งไอตัวนั่นต้อนตัวนี้ต้อนหนึ่งก็ต่างคนต่างกินมันก็ไม่จะร้อกันเท่านั้น ่ไอ้คนเราสมัครวันสันชารตยานมันสมัครวันสันทงเลยไอ้คนหนึ่งกินสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นต้นโจนไอ้คนที่มันจนมันก็ไม่กินไม่รับส่วนแบ่งมันก็ไม่กินไม่ได้กินมันก็องหน้าคนที่มีข้าวกินมองไปพอมาเขาไมอยากจะกินข้าวเหมือนกันอย่างนี้เมื่อคนอยากกินข้นมาดียมันจะมาเย่งกันนั่นแหละมันก็เป็นที่ขโมยกินน่ะเนี่ย อย่างนี้เป็นอต้นคนเราไม่ก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อือันนี้เราเป็นผู้รักษาชาวบ้านให้ชาวบ้านของเราเจริญเข้าไปในุ่มไหนให้เขายกมือไหวน้นั่นในผู้ไปที่อาสาชาวบ้านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเข้าที่ไหนก็เย็นเย็นเป็นสุขถึงแม้ไม่มียาใน่มีอาหารให้ผู้แตนคุณยายเป็นไงคะ คนตาเป็นไงสบายเลย อ, อย่างเนี้ยมันก็สบายแลยละ่ะสบายด้วยด้วยความดีใจอพูดที่อมีคุณธรรมมันก็สบายใจอืออย่างนี้เป็นต้นเมื่อเห็นพวกเราเข้าไปก็เป็นลมโพลงใจยังไม่ได้วางยาไม่ได้อะไรเลยพูดเท่นั้นเนี่ยเข้าจะด้วยความเข้าใจนั่ น, นได้ยินเสียงใจเลาะสนอ่อนใจมันก็สบาย พวกหมู่บ้านรักษาชาวบ้านทำนายซื้อให้ไปปลูกใจไปปลูกใจว่าพวกเราให้เป็นอนันเดียวกันพวกเราทำเป็นตัวอย่างของเด็กๆ เ, เป็นตัวอย่างของเด็กน้อยเป็นต้นอืยอบรมให้ชาวบ้านรักษาบ้านอบรมให้ชาวบ้านรักษาตัวเอง อบรมให้ชาวบ้านมีความสามัคคีที่ตันในตันให้จัดแบ่งสรรปันส่วนกันพอสมควรใครๆก็คิดอย่างนี้ใครๆก็พยายามอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเมืองเรามันก็จะเดิน้นเท่านั้นไอ้ที่บ้านเมืองแล้วม่จะเดินทุกวันมีเพราะอะไรเพราะ อ, อะไรเพราะคนมีเมตตาในหัวถึงอันตมายเคยเจอพบคนแก่ๆกลุ่มหนึ่ง แล้วก็มีเด็กที่ทางบ้านมันดื้อเนี่ยมนันเป็นคนผีนั้นเดี๋ยวมันมาคนผีนานๆมั น, น, น, นก็มาทำใ้บ้านเราคนแก่ๆทั้งหลายนันเอาคนหนุ่มมารวมคนสอนลูกหลานก็เอ้ยสู้พวกเด็กพวกหนุมทั้งหลายนั่นอ่ะถ้าสูจะไปปล้นจะไปขโมยก็ไปปลน้นบ้านอื่นในุ่งไกลๆบ้านเราหนุ่นไปอำเภอเดชอุรมหนุ่งไปทีบูรุน่นหนุ่งอย่ามาคนอำเภอบารีเราเลย นี่คนแกสอนลูกหลานในพระพุทธนภพิบพูลในพระพนเดชินเดอะอรรดินมานเลยมันบ้านเราไอ้คนแก่นี่ก็สาคัญเยอะเกินนะตันี้ว่าคนแก่มันมีปัญญานะอเออนไปพ่นบ้านอื่นบ้านเรายังมาพนเลยเนี่ไอ้คนแก่พอเห็นแก่ตัวเส้นทีเลยน ะ, ะถ้าว่าเราพาตั้อยู่อภรพิบูลนะ่ะเด็กๆข้างบ้านน่มันรู้อล้วจะบอกคนว่า ไปโป้นอำเภอปารินมันดีกว่าอย่ามาโป้นอำเภอเราเลยเราจะเป็นยังไงกันแหละมั น, นจะดีไหมเด็กๆข้างๆบ้านอำเภอเดชอุดมนะมันทําความพื้นบ้านให้ชาวบ้านแล้วเขาจะพูดคำว่าเฮ้ยนุดมงๆทั้งหลายนั่นนี่อย่ามาพูดดายในบ้านกันเลยนุ่มไปอำเภอปารินมันดีกว่าอันนี้มันบ้านของเราอยมาทําเลยถ้าทำอันนี้มันจะดีไหม ที่คนแก่นั้นนี่ว่ามีปัญญาอความเป็นจริงมีปัญญามีปัญญาธรรมทั้งตัวมีปัญญาเมืองกันแต่ ป, ปัญญาตารมปัญญาที่มันใช่ไม่ได้เรียกไม่เป็นธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมอย่างนี้เรียกแต่เมตตาก็เมตตาเจริญทั้งหลายดบบังนี้พวกเราทั้งหลายนี่ก็เป็นกันทั้งนี้ไอ้คนที่เกิดก่อนก็เท่าไปก่อนแก่ไปก่อนแล้วก็ตายไปก่อนกว่เราทั้งหมดทาะนะแล้วนะ พวกเรามีสินุ่งนวเธอสาวเนี่ยจะทํายัางไง <Okay. S 1> เราจะเป็นคนที่ปกครองว่านเมืองต่อไปจะรักษาป ร, ระชาชนต่อไปให้มีสันติสุขในบ้าน oh. ในเมืองเพราะเราทุกข้อหน้ากันจะเป็นภาระของเราถ้าเราทําไม่ดีจะเป็นยังไงไอความไม่ดีมันจะไปไหนมันกตกตับมาอยู่กับเรานั้นเนี่เราไม่รู้จักภาษาย เราไม่มีปัญญาเป็นต้นแต่ความโมง่ก็บินมาถึงเราไม่ถึงเราก็ถึงลูกเราไม่ถึงลูกก็ถึงหลานเราถึงเพื่อนเราถึงบ้านเราเลยเป็นต้นออย่าคิดอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจ ะ, จะมีเมตตาทุกทุกคนตัววันนี้อยู่ในความเมตตาไอ้ความบางที่จะบุบวายเกิดขึ้นมาทุกเวลานี้ก็เพราะธรรมะไม่มีใน ใ, นใจของคนคนเราถ้ามันไม่มีธรรมะก็เหมือนกันสกัด จัดไม่มีธรรมะนะเคยเห็นสุนัขไหมเอาข้าวก้อนให้โยนตัวนั้นกินตัวนี้ ไ, ไม่กินเห็นัวิ่งไปเลยกระโดดตัดเลยทิ้งเอากอนข้าวไปกินเปล่าเนะไอ้ตัวนั้นก็ลองเงงเงงเงงไปเรื่อยๆไปเลยนี่มนุษย์เราคือมันตันดฉันนั้นถ้าไม่มีธรรมะมีความอิจฉามีความพยาบาทกันก็จะอยู่อย่างจัดกันเอง ถ้าเรามีธรรมะบ้านเมืองเรามันก็เกิดือดร้อนลูกเราเกิดมามันจะสอนยากเรามีลูกมันจะสอนยากเรามีหลานมันก็จะสอนยากอเรามีใครเรามีเรามีสามีมีครอบครัวเราก็สอนยากผู้ที่ฟังกัน น, นี่นี่เพราะอะไ ร, พรไไเพราะเมีธรรมะแต่คนผู้สิริสงหลายคนธรรมะมันกินได้เลยนะอืะ ไปวัดไปเหรอได้อะไรมาเนี่ยนะะไรธรรมะที่ไหนมาเอาธรรมะเคยกินได้ไหมไอ้ความเป็นจริงที่มันไม่ได้กินธรรมะมันจึงการเดียดร้อนถ้าแค่กินธรรมะได้มาเพื่อเป็นธรรมพูดมาอต่ไปเพื่อเป็นธรรมะอะไรอะไรได้มาด้วยธรรมะได้มาในความชื่อสัจจเดชอันนั้นอันนั้นสบายกรรมนั่นที่ทําถูกต้องนี่แล้วภายหลังก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่เดี๋ยวเรากินธรรมะกัน ถ้าเราไม่ได้กินธรรมะกันเลยกับวุ่นเสแล้วนะทะเลาะเลาะแย่งกันไม่ได้หยุดเป็นต้นนี่ละบ้านเมืองของเราเป็นต้นที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเพาะความสามัคคีกันถ้าความสามัคคีกันที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นก็ทำงานตามหน้าที่ของเราพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้มันถูกต้องลูกก็ทำตามหน้าที่ของลูกให้มันถูกต้องครูก็ทำตามหน้าที่ของตัวให้มันถูกต้อง นักเรียนก็ทําทตามนาทีของนักเรียนมันถูกต้องพวกเราก็มันกันดันนั้นอมเป็นผู้อาสาบอกว่าจะมีข้อกฎระเบียบเป็นอย่างไรอืมอันนั้นก็ให้ค่อยๆทำเนียนถึงว่าเราต้องทำงานตามนาทีของเราว่ามันจะดีว่ามันจะชั่วอะไรก็ช่างมันลทำอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้อืมท่านได้พูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ทําให้ตรงไปตรงมา ตามหน้าที่ของเราแต่ น, นั้นยังงั้นถ้าพวกเราไม่สามัคคีกันต่ออิจากันก็พยาบามวากันทะเลาะกันให้เด็กๆมันเห็นแล้วจะไปสนเด็กๆกันมีความสามารถกันตัวพวกเราก็สมัคคีกันไม่ได้สอนเด็กให้มั่นขยนันแต่ตัวเรามันเบียดที่เบียดเบียดขานเด็กมันจะอะไรมั้ยนี่หมาว่าเรามันเป็นครูคนเราเป็นครูคนจะต้องสอนตนให้มันเป็นครูคน เป็นครูคนจิตใจทใี่มันสูงกว่านักเรียนตักสิ ก, กาทั้งหลายเป็นต้นเหมือนกับพ่อแม่คล น, นั่นแหละแล้วเป็นพ่อเป็นแม่คนจิตใจก็ให้สูงกว่าเด็กๆที่ลูกหลานของเราอย่างนั้นจึงปกครองลูกหลานของเราได้เขาจึงกลัวและก็จึงมีอํานาจพูดตรงไปตรงมามีวาทะอันอ่อนหวานเป็นต้นมีวาทะอันศักดิ์สิทธิ์มีความรู้สึกนึกคิด เนื้นุษย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีธรรมะประจาใจอยู่เสมออันนี้เป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะพิจรารณาที่อาสามอบ้านบางทีก็จะไปบ้านโน้นบางทีก็จะไปบ้านนี้รารพัดบ้านที่จะต้องไปไปกันก็อย่าเพิ่งเคถือเลยไปถึงบ้านที่เราไม่รู้ภาษาของเขาไม่รู้สมุิของเขาไม่รู้บัญญัติของเขา เราจะไปถือตัวนี้ที่นั่นอันนี้ถ้าเราไปถือตัวเทินจะไม่ไปจากภาษากันก็จะลาบากเหมือนกันท่านอาจารย์มันม่นโูดิษฐ์โตก่อนท่านเป็นพระธรรมท า, านไปปฏิบัติโน่นภูเขาทั้งตะเหลี่ยงนั่นปกครองท่านก็ไปนั่งอยู่ก็ก็เดินมามาถามท่านว่าเออไม่มาจะไปเออคู่มาที่โ น, น่น มึงกินเขาแล้วบอกเออกูกินแล้วล่ะสบาเขาดีกว่ามึงมึงกูกูนะมันนีจิตสุดแล้วเราไม่รู้เรื่องกับูกูสิสิเขาถามมึงมาจะใสเลยมันอยากจะพูดแล้วคอแข็งอืท่านอาจารย์มั่นท่านเขาถามมึงมาจะใสเออกูมาที่โน้มมึงกินเขาแล้วบอกกูกินแล้วโดยสบายไปเลยนะนี่เรื่ท่านรู้จักคน เราไม่รู้จากคนภาษาเขาถือว่ามึงมงปูปูมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยได้ยินเป็นต้นเราก็ไม่ฉลาดในการพูดอันนั้นก็โกรธในเศร้าเสียดในเศร้าเสียประโยชน์เปเราดังนี้เป็นต้นดังนี้เราเป็นผู้รักษาหมู่บ้านก็เดียว่าหมู่บ้านนั้นในอาศัยเราทางความรู้สึกนึกคิดอะไรทุกประการนั้นเป็นต้นนั้นขอฟ้อคุณระบุลูกหลานทั้งหลายขึ้นถูกไอ้ให้เป็นเจ้าหน้าที่ เน่ยเคล็นี้เป็นต้นตามทางการขอจงประการประพฤติปฏิบัติด้วยน้าใสใจจริงอืรอบจิตใจผู้ใหญ่ได้เด็กๆทั้งหลายเป็นต้นให้เข้ามาสู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกวันนี้มันเสียจะแล้วเสียไปสักครึ่งนึงเสียไปเป็นตัวที่ว่าเราจริงคอกันรู้สึกเป็นบางแห่งจะแล้มามันเหลือต้อนเพราะอะไรเนี่ยคือศีลธรรมนั่น มันค่อยๆเสื่อมไปจากคนุษย์ทางหลายแล้วก็คอยมารู้วันยิ้มสนุกสนานกันเรื่อยๆต้นสมัยนี้มันเสื่อมไปสุดีสุดทีเมื่อมันเสื่อมขั้นไปแรกขั้นไปเพิมเดือดร้อนเกิดขึ้นมาโบยวายขึ้นทีหลังแก้ไขไม่ประหยัานคนนี้เป็นยังไงคนโน้นมีุ่นวายยางดีเฉพาะจะบอกพบุคคลที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอันนั้นมันจิตอันนั้นมันในสติก็ไม่ทําด้วยทําก็ทําได้วเล็กไม่น้อยอะไรท่างหลาย เป็นตนไม่เห็นมากแต่เขาเนั่นเพราะว่าเราจะเป็นผู้อบรมชาวบ้านทั้งหลายก็ดีอยู่ในนอกก็ดีอยู่ข้างในก็ดีมีข้อประพฤติปฏิบัติให้ดีได้ั้นใจถึงแม้ว่ายังหนุ่มๆก็ปฏิบัติไ่อย่าพุ่งไปทิ้งในคนแก่เลยโดยมากไอ้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีนุ่งๆสาวๆใส่โคตรมากแกซะ่อนี้จะเขวัดกัน เดี๋ยวนี้ยังเข้าไม่ได้แร้วเยมันแก่ซะก่อนแต่ที่ไงคนแก่เท่านั้นแ่ะไม่รู้ว่าคนแก่มันดีที่ตรงไหนเห็นไหมบ้านเรามีคนแก่ๆไหมเดินแข่งกับเราทันเราไหมสู้เรได้ไหมคนแก่ฟันดุแต่ไม่ดีเลโอ้โหก็ไม่ได้ยินตาไม่สว่างแล้วลุกขึ้นก็โอยนั่งลงก็โอยเมื่อเราเป็นนงๆก็แก่ซะก่อนเถอะนึกว่าแก่มันจะมีกําลังมากมากนะเนอืม นี่เราจะไปคิดแค่ น, นั้นที่ไอความดีความชั่วทั้งหลายเรามีที่คิดอยู่เรามีที่ทำสิอะไรความชั่วเราไม่ทามันขึ้นนะอันนี้มีความดีแล้วพยายามสำนั้นไม่ใช่จะไปทําอะไรในพลังนี้มันทําได้เลยแั้วไปที่ไงคนแก่จะเห็นคนแก่ไหมคนคนแก่พวกบ้านเราเป็นไงือลูกเต้นทีโอ้ยนั่งเตทีโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นไง ขนาดนั้นเรายังดับหูดับตาว่าให้มันแก่ซะก่อนจึงจะเข้าวัดนั้นมันจะเห็นกันเหล๋ยเนี้นั่งก็ไม่ทนฟังก็ไม่ถนัดพูดบายยังให้มันแก่สิเราต้องทํำของเราไปเรื่อยๆแก่นั่นมันก็หนุ่มถ้าก่อนมันถึงแก่เห็นไหมไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วมันหนุ่มนะมันหนุ่มแล้วมันก็แก่นะไอ้ความจริงๆมันแก่มาแต่โน้นในพอเราเรารู้จิตรู้สึกว่าเราหนุ่มไหมอืม เรามันแก่มาเสื่อมวันนั้นมันก็แก่มาวันนั้นแต่ก่อนมันยืนในท้องของแม่เห็นไหมมันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมามันแก่ขึ้นแน่แล้วก็ออกมาแล้วก็คลอดออกมามันแก่ถ้ามันไม่แก่มันไม่ออกมาหรอกมันอยู่ในท้องนั่นแหละมันออกมาเล็กก็โตขึ้นมาติดอ่อนติดอ่อนมันแก่ถ้าไม่แก่มันไม่โตขึ้นขนาดนี้หรอกอะไหนืมมาถึงวันนี้รูปพระเพียงสาเหล่านี้เป็นต้นก็เดกว่ามันแก่มาแล้ว แต่เรายังไงคยเห็นว่าเราแก่แก่ไม่รู้สึกตัวถ้าไม่แก่มันไมโตขนาดนี้หรอกให้เข้าใจว่าบัดนี้เราแก่แล้วจะต้องมีหลักธรรมะกว่าสุดปฏิบัติดีใอ้ตอนที่สุดท้ายมานานานๆไปไคุณงามคุณดีได้สร้างคุณคุณงามความดีไว้ในเฉพาะตั้งแต่วันนี้ส ม, มนมีไฟภายหลังมันก็สบายทำกรําดีไว้ภายหลังไม่เดือดร้ดอนกรรมนั้นมันก็ดี ทำกรรมอะไรที่ไม่ดีภายหลังก็บันเนดือดดอนกรรมนั้นก็ไม่ดีแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้ไม่จะข้ออะไรพันไหมล่ะอย่างนี้เลยเป็นต้นเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กอย่างนี้ควรพิจารณาให้มันดอกครอบเรื่องทิ้นทามเป็นเรื่องสาคัญเรื่องทิ้นทามเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นคนจนก็ปฏิบัติได้คนรวยปฏิบัติได้ใครก็ปฏิบัติได้ในทางเสียมันดีนะอืฉะนั้นความดีนี่แหละ เป็นกรรูปสันหลังของมนุษย์ทั้งหลายชีวิตตั้งในบนฐานของความดีนั่นรเริ่ดประเสริฐมากมนุษย์เรามีความดนะีมันเหลืออยู่อื่นไม่เหลือหรอกไอความดีนั่น่ะแม้ว่าเราตายไปไอความดีก็ยังตั้งอยู่ในโลกแต่เห็นไหมนี่เป็นต้นไอความดีนี้มันยังอยู่ไอความดีนีนะ่มันไม่ตาย เมื่อเห็นลูกเมื่อเห็นอะไรเราเป็นต้นนุกถึงความดีและความสบายยังเป็นร่มโพร่วมใจตลอดกานานะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งทางการได้จัดให้เป็นคนพิเศษอันหนึ่งคิดว่าอาส า, าหมู่บ้านรักษาหมู่บ้านให้หมู่บ้านทั้งหลายได้อาศัยเมื่อเกิดความเดือดร้อนบุญบายมาวิ่งไปหาแก้ไขในสมควรเป็นต้นให้สงบระงับให้มีความอยู่กเย็นเป็นสุขนับว่า เป็นร่มโพร่มใจให้ชาวมนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดการพอทสมควรฉะนั้นความดีนี่เนี่ยเมื่อเราจะตายไปแล้วเป็นต้นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนองค์สมบัติพระเจ้าสำนึกเก่าของเราเนี่ยท่านนี้พ่านตอนแรกความดีของท่านก็ยังอยู่นี่เน่ความดีมันยังอยู่อย่างนี้มันเหลืออยู่อไอ้ความดีมันเป็นอย่งนี้แต่ถ้าเราบริโภคข้าววันนี้เนี่ยบริโภคไปหมดแล้วแต่ความดีมันยังเหลืออยู่ฮะ มันยังมีอยู่จะาข้ามัหมดแล้วแต่าความดีมันยังเหลืออยู่เนี่ยแต่เราสมัครใจนั้นเมื่อเลิกจากโลกที่ไปแลความดีเราเหลืออยู่เป็นต้นเพื่อให้อาศัยคุณตบุตรลูกหลานเราเดินต่อไปทางนั้นอืมนะฉะนั้นบันนี้ก็เป็นเวลาอันที่จะบรรยายธรรมมาให้ฟังพอสมควรต่างคนต่างสรรถต่างคนต่างสรวะใครมีหน้าที่อะไรทําอะไรก็ทําตามหน้าที่อันนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรสั่งนั้น ฉะนั้งขอพวกโอ้ น, นี้ที่เป็นอาสาหมู่บ้านทั้งหลายนั้นหมู่บ้านทั้งหมดนั้นเราจะเป็นผู้ที่อาสาเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้ให้ความเห็นเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ที่ให้ความสบายอกสบายใจนั่นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายใครมีปัญญามากใครมีความรู้มากใครมีความเฉลาดมาก ยิ่งเกิดปัญญาอันดียิ่งเกิดผลมากอย่างนั้นการกระทําเช่นนี้ว่าจะเป็นสุปฏิปโนมันนเป็นผู้ปฏิบัตินี้ไอความดีนี่หลเป็นต้นเ้็นศากดิ์ีของศักดิ์ศรีของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในมนุษย์นี้ในมวลมนุษย์นี้ดังนั้นของจงพากันตั้งอกสั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ตามที่ความต้องการของทางราชการอืมให้เราเป็นผู้อาสาหมู่บ้าน น, นี้ให้สมความมุ่งหวังของเจ้านายของเจ้าหน้าที่รวบรวมเป็นต้นบัดนี้อืมเมื่ออพ้กทั้นทลายได้โอกาสมารับฟังธรรมะก็จะเอาธรรมะอันนี้ไปปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่ฟังเหตุอาบุญวันนี้ ฟังเทศให้เกิดความรู้สึกให้มันรู้จากบาปให้มันรู้จากบุญให้มันรู้จักผิดให้มันรู้จักถูกให้มันรู้จักดีให้มันรู้จักชั่วรู้จากคุณค่าของธรรมะเป็นต้นจึ้มไปปฏิบัติได้ในสมัยโบราณเราพอฟังเทศปุ๊บเลยพรนุกัมภูมือว่าอยกเลยพระประเทศไปคุยไปเรื่อยๆไม่ดูเรื่องพระเทศจะเป็นเรื่อง ผลที่สุดภาคโยมเลิกาถูนั่นยัยกว่าฟังเทศอาวุนไม่ฟังเทศให้มีความเข้าใจอาวุนอย่างนั้นวัดนี้เราฟังเทศให้เข้าใจให้เกิดปัญญามเมื่อ้ะใจเอาไปทีจดานาประพฤติปฏิบัติมันเป็การเป็นงานขึ้นไปที่อะไรยายมานี้ให้เป็นโอปารยการธรรมก็เจอทั้งหลายนนที่น้อมเอาไปทีนิดจดานาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนทุกตกล ด้วยอำนาจแห่งคุณพฏิรศนใจจงปกปก้องรักษาสุมฟองพักท่านทั้งหลายที่น้อมจิตใจมาฟังโอวาทธรรมะคำสอนในวัด ท, ทั้งประพง์วันนี้จงให้มีความสุขายสบายใจตลอดกาลนานเถิ